ยาโยมทวดสตังหลการแนะนำในการเตรียมฐานตรงกับวันที่สี่แต่ว่าการแนะนำในวันที่สามได้แล้วสิกาได้แล้ววันนี้ก็ขอทวนต้นมาวันนี้เพราะวันนี้พูดแค่ผ่านไปจริงๆแล้วถ้าการปฏิบัติต้องอาศัยอริยสัจอริยสัจจะ กลาเป็นสสัตว์ความจริงที่ทําบุคคลให้เป็นะพระอริยเจ้าหรือความจริงที่พระอริเจ้าทำมาได้เพราะปฏิบัติมาคําว่าอริยสัตว์มีสอย่างคือหนึ่งทุกสองสมุทยัยสามนิโรธเราเรนิโรธนะภาษาไทยสีม่มัรแต่โดยเฉาะอย่างนี้ที่ท่านสอนกันจริงๆสอนเฉพาะทุกอย่างเดียว ก็อะไรไมั้ย็อาจจะมาเรียนมากับพระจริงๆท่านสอนทุกอย่างเดียวถ้าองค์ไหนทราบไหมพระองค์ที่ท่านสอนว่าในสมัยนั้นมาตอนอายุ40ปีตอนช่วงก่อนหน้านั้นมาถึงอายุ40ปีที่ปรารถนาพุทธ ภ, ภูมิพอมาถึงอายุ40ปี คือก่อนหน้านั้นสองปีลาพุทตภูมิสองครั้งพระท่าแม่นุญาตท่านบอกว่าถ้ายะลาทำไมไม่ลามาหลายร้อยชาติมาแล้วเพราะการบรนาบัณาพุทภูมิกับสาวกภูเนี่ยามเป็นบารมีต่างกันโดยเฉพาะ อ, อย่างนี้แตมาเองก็ปรณถนาพระภูมิในขั้นเขาเป็ยอะไรเป็นญาติกะสถาริกวิทยาิกะเป็นวิทยาิกะ ต้องใช้การบำเพ็ญบารมีทึ้นสิของ1อาสบกระสงไขกราแสงกลับที่ถ้าหากว่ารับรับธนาพระิพ า, านจ์จริงๆเพื่อความเบรรหรันก็บำบารมีแค่หนึ่งกสงไขกราแสงกลับถ้าแต่คานคานสองครั้งเสองปีลาสองปีปีหนึ่งลาครั้งหนึ่งถ้าไม่ยอมพอปีที่สาม่อายุ40ี่สพอดีปีนั้นก็ขอลายเขาแบ่งท่านีว่า เพราะว่าเบื่อมากเบื่อใครทราบไหมเบื่อพระคือตอนนั้นพระบางองค์อาจจะพระบางองค์นะท่านมีความแบบพึ่งไม่ดีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็โกนเกลี่ยเกลี่ยพระขนน้อยก็คนนั่งคิดในใจว่าคนต่อถนาพุทธภูนี่ไม่ใช่พระอริยเจ้าจะ <c oughs> เป็นโสดาสีตาคารนาคาไม่ได้นะพุทธคูนี่นะ จะเป็นไม่ได้จะเป็นแต่ว่าเป็นพระเจ้าเลยจได้ในการปรรดาพิภูมิเลยก็จงทรงแค่ฌานโลกีจะได้การฝึกกรรมฐานสิทธิศีลสองไม่ยากว่าทมามนได้หลายชาติแนละ้วใช่ไหมเขาเก่าในเมื่อเห็นพระแท่นกวนกันแบบนั้นก็คิดในใจว่าถ้าบาังเอิญท่านมาโกงเราอย่างนี้ชาตินี้ก็ขอลงมารกแนะม่ก็นะ อ, อะไรไหม ถ้าจะยิงที่อื่นยิงยากถ้ายิงที่กุฏิจะยิงง่ายท่านบริษัทนะอย่าลืมนะบริษัทจะมีกิเลสเปรตราเนยจะมีแค่ชาโลกีเท่า น, นั้นใช่ไหมยิ่งขอลาตรงกับพระท่านมื่อขอลาตรงพระท่านแต่ก็บอกว่าทนไม่ไหวแน่เลยบอกทนไม่ไหวอย่างไงปีนี่ก็ต้องขอลาแน่แล้าท่านเรนื่อปแบบเดี๋ยวเนี่ย ท่านน่งไปประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านหันมาแบบว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทเธอลาได้แต่ว่าต้องทํากิจพุทธภูมิต่อไปเพก่อป่วยจะตาย <c oughs> ที่ทํางานเนี่คือกิจพุทธภูมิท่านถ้าสาวุกธรรมดาเขาไม่ทําแบบนี้หรอกเขาได้แรงก็หน่อยสวอกจะบายงานท่าไม่มากนะก็ <c oughs> <c oughs> คิดในใจว่านี่อายุสี่สิบปีถ้าอย่างดีอาจจะถึงหกสิบปีแล้วก็ตาย เดินไปไกลเกินหกสปีหน่อยก็าตายถ้าถึงได้ปีก็อยู่แค่หกสิบปีใช่ไหมถ้าหกสิบปีมันตายก็ดีกว่าต้องไปบรรพินินรมีอีกทั้งหลายชาติเลยถามไา้บอกว่าถ้าใบลาพุะตภูมิบารายบารมีจะเต็มถ้าบอกว่าถ้าเธอตายใช่ไหมเมื่ออายุสี่สิบปีนี่เธอได้เจ็ดชาติเต็มที่เจ็ดชาติไม่ใช่เจดเดือนเลย ถ้าเธออยู่เธอเยอะหกสิบปีก็เต็มชาตินี้ท่านถามก็บอว่าถ้าเต็มชาตินี้จะเป็นพทธเจ้าโอเคศรัยบองรัสเซียพระเสียอนไม่นับต่อพระเสีอันไปใปรนองค์ที่ยี่สิบสองโอ้เป็นนั่งยินแค้นดุสิตยืนที่นี่แห้งแล้วแหงอีกที่แหงอี ก, อก <c oughs> โอ้ฟังแล้วก็ไม่เอาละเลย <c oughs> ขอลา เขาขอลาเธอก็ตกหลงว่าถ้าหากว่าเธอลาแล้วต้องทํากิจพุทธภูมิต่อไปจนกว่าจะตายมันนึกว่กมามันคงข อ, งของไม่หนักใช่ไหมชาติเดียวตอนนี้นะท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะลาจริงๆป้าอย่นี้ก็แล้วกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลาสี่ทุ่มฉันจะมาสอนเธอแล้วก็ตอนนั้นรับแขกกลางคืนด้วยแล้วเวลาสี่ทุ่มถ้ามีแขกมาบอกเขากลับเสีย เข ก, กลับแต่เขาสี่ทุ่งเป็นมาสอนตรงตามเวลาเพราะวันลุน่งขึ้นพอสามทุ่มขึ้นก็ บ, บอกให้แขกกลับก็ถือว่าเขาจะกลับโดยที่ตับเราก็เข้าห้องมาเรื่องโบราณงานของเรางานของเราใช่ไหมงานเขางานของเขาพอเข้าห้องถึงเวลาใกล้สี่ทุ่ก็บูชาพระคือเวลาสี่ทุตรงท่านลงมาเลยสอนพรตินสว่างมากเหมือนกับไฟไหลแสงนางเคียงสันสว่างอยางอง์ท่านนะ ถ้มีฉับพลันนอนสีเรืองสม่งที่การณ์ารพอบาถึงแล้วก็จะบอกว่าเธอ น, อ, น อ, เอนมาตั้งแต่เช้าจนทั้งกันคืนนอนฟังเขาคิดตามฉันพูดท่านก็สอนอริยสั์อริยสัจนี่ท่านสอนข้อเดียวทุกสัจอย่างเดียวท่านพูดช้าๆเรื่อยๆไปจนทั้งปีสไม่ใช่วันเดียวนะเต็มหนึ่งเดือนเฉพาะทุกสัจ ว่าสอนเต็มหนึ่งเดือนจะต่อไปถ้าบอกว่าต้อต่อที่ไปต่อที่ไปฉันจะไม่มาสามเดือนถ้าภายในสามเดือนนี้ถ้าเธอเห็นว่ามุมใดมุมหนึ่งของโลกมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิตแต่เห็นว่าโลกนี้เป็นเป็นทุกข์ทั้งหมดฉันจะมาสอนจอมใหม่ก็นึกในใจว่าท่านมาตรงไปก็ได้มันช่ำแล้วเห็นไหมแค่กินข้าวคาเดียวสอนไม่ต้องหลายวัน มันทุกมาจากข้าวนะอันนี้จะอธิบายสิครับตอนนี้เลยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณเดือนครึ่งถ้าก็มาไม่เต็มสามเดือนแล้วเขาบอกว่าคึืนที่วาผลนี้เพิ่งได้ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้เพราว่าที่เราถามท่านก่อนว่าถ้าว่าเวลาแล้วแล้วก็จะจบกิจาการการรับคำสอนเมื่อไหร่กี่เดือนเขาบอกว่าถ้าเธอขยัน ก็ไม่เกินสามเดือนถ้าเธอที่เกียดก็ไม่เกินหเดือนพอทนได้นะไล่ไปไล่มาเิีงเดือนเดียวก็เราเป็นคนไม่เต็มบาทใช่ไหมถ้าเต็มบาทมันก็ไม่ต้องใส่ใหม่ก็ใส่ทุกวันแต่ทุกเวลาไม่เต็มบาทใช่ไหมใครเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเห็นใครมาก็มีแต่ความทุกข์เห็นคนทุกคนมีแต่ความทุกข์หมด ทุกคนที่มาหาเนี่ยเวลานั้นทําตนเป็นหมอดูก็ใช้อนาคตาาเตาสัญญาในเครื่องดูใช่ไหมอนาคตา่างกัยังของเราเองด้วยแล้วก็ถามพระโดยถ้าใช้ของเราเองจริงๆเนี่ยมันถูกมากกว่าผิดถ้าผิดก็ผิดอย่างเฉียดแต่ยังมีผิดถ้าถามพระนี้ไม่มีทางผิดเลยแค่พิสุดแล้วนะแปลว่าก็โกนพระทุกวัน แล้วเมื่อคนมาทุกคนที่มาหามาดูนี่ไม่มีใครมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เราก็เห็นทุกวันทุกวันฝนฝนจะความทุกข์เห็นไหมก็เป็นว่าพอสักเวลาเดินขึ้นแต่กลับมาแต่บอกว่าขึ้นเที่ยวฝนยี่เพ่งได้ไม่มีใครสามารถพยากรณ์เวลาได้โซน่าจะบอกครงเจ้า <c oughs> ถานแะล้วบอกว่าต่อที่ไปจะถอสนสอนอะไรอีกอันนี้สัตว์สอนแค่ตัวเดียวคือทุกสัตว์สมุทรไทยยังมิโรธายางมักยาง เขาอกไม่มีแล้วนี่สมุดไทยเหตุให้เกิดทุกข์เธอก็เห็นแล้วใช่หไหมมีโลท่ความดับคือดับทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาก็เห็นแล้วมรรคก็คือโซปฏิบัติก็ทําแล้วไม่มีอะไรสอนสอนทุกขสัตว์ตัวเดียวแต่เป็นว่าฉันมีความรู้ที่ว่าทุกขสัตว์ตัวอื่นยห้งไม่พูด กเป็นนัว่าวันนี้ก็จะถอนํรราริยสัตว์มาควบ ก, กับธรรมดาเมื่อวานนี้ยังไม่ไปไหนอเอาแค่วานนี้เอาให้ได้ถ้าไปได้เช่นวดนหน้ามาเราพูด แ, แบบนี้ก็เป็นนั้นว่าอันดับแรกเราต้องเห็นธรรมดาเบื้องต้นคือพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอะไรมากท่านยอมรับและถือกดธรรมดาเท่า น, นั้นเอง โรดเด่นมากเกินไปนะปกติร่างตํารานโน่นง้างตำรานี้เข้ามาเ น, นี่ยแล้วก็ไปร้างเอาเอาทั้งยอดขมาใช้ไอโซนที่จะตัดแม่นมามาใช้เห็นไหมอย่างจะฟันคอเสยนี่ฟันดันไปฟันเสาวมันจะตายเหรอไม่ตายต้องฟันในตรงคอเห็นไหมถ้าบอางเอเอเขาดาดสองคำทื่้นมาฟันเขาหน้าดับเหมือนกันนะก <c oughs> ็แปลกันว่า ธรรมดาที่เราจะต้องเห็นอีกหนึ่งในสัญญอข้อที่หนึ่งเรียกส ก, กาญติภีรท่านเขียนนั้นตำราว่าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัวนี้ใช้ปัญญาสูงเกินไปต้องเป็นปัญญาในเขพระอรหันต์เลยเห็นว่าร่างกายมืฟเฝ้าสุกระบบโซเคราะอนนี้ก็สูงเกินไป อันนี้เป็นยาเป็นปัญญาเพราะอนาคามีถ้าโสดาใบเกษตรค้ามีต้องใช้ปัญญาเล็กน้อยให้ร่างกายมันตายใช้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ดีใช้ร่างกายส่งผกคนดีคือเป็นญาเพระอนาคามีหรืพระอรหันเราก็แต่งงานไม่ได้ใชไมที้เป็นโสดาใบสกษตรคามียังแต่งงานได้ยังมีการแต่งงาน ต้องมีความรู้สึกแค่ร่างรางกายนี้มันต้องตายกีการที่จะตายพวเราตอนจะตายมันเป็นสุดหรืเป็นทุกข์เสทุกข์นะทุกคนดินดางนีทุกทกหมดใครจะไม่ทุกข์ประจานใจใจนาคดานี่ไม่สทุกข์เมื่อยกมยกไม้จขลังกัมนกันนะโอน้นคนนนยกยกยาวเขาก็ ข, ขี่ตัวใจนคดาฉันเห็นนะยังก็ฉันไม่เห็น ตอนนั้นไม่ทุกข์นะก็แปลว่าขณะที okay. ่ทรงชีวิตอยู่มันก็เต็มได้วยความทุกข์ 1. งความหิวสองความกระหาย 3. า0ร้อเกินไปสี่หนาวเกินไปอุวจาระปัสสาวะการปวดไทยไม่สบายการประกอบติดใจงานความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังความตายเข้ามาถึงทั้งหมดที่เุีกทุกข์ทุกขตัวทุกข์ มเมื่อทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมุทรไทยเรื่อต่อนี้ขง น, นะ <c oughs> สมุทรไทยปเป็นสาเหตุที่เกิดทุกข์ไอเหตุให้เกิดทุกข์ก็คืออะไรคือเราเอง้าตัวเกิดใช่สับง่ายๆนะถ้าเราไม่เกิดมาเราจะหิวไหมถ้าอยู่ตะลกคนก็หิว ถ้าไม่เกิดมาไม่มีร่างกายความหิวมก็ไม่มีความหนาวก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีความปวยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความทัดท้ายจากของรักข อ, ของชอบใจก็ไม่มีความตายก็ไม่มีเนีตัวที่ยังมีอย่างนี้ได้เพราะอาศัยเรามีร่างกายเพราะการเกิดเกิดเต็ดพุกเมื่อมีความเกิดข้างในเบื้องต้นแ้วมีความตายในที่สดุดก็เป็นนั้ว่า ถ้ายคำที่กล่าวนี้แปลวิทยศาสตร์เป็นของจริงเป็นความจริงที่เราคนยอมรับและถือถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อกลเกิดถ้าเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายในที่สุดเหมือนกันหมดไม่ก่อนจะตายมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ตายแล้วแต่หากว่าเราจะมีบาปติดตัวติดใจก็ไปอบายภูมิทุกใหญ่ถ้าเรามีบุญติดใจอยู่ก็ไปสู่สุคติในสวรรค์เป็นตนมีความสุขเล็กน้อยถ้าเวลาไม่นานนักก็กลับมาทุกข์ใหม่ ก็ถือว่ายาหน้อยที่สุดการตายคราวนี้เราจะไม่ยอมไปอบ า, ายภูมิแม้ว่าไปสวรรค์จะมีเวลาเล็กน้อยก็ตามดีก็ตามทีาามทนะก็ขอไปสวรรค์ก่อนที่อย่างน้อยถ้าอฏิพาณได้ก็ไปถ้าปฏิพาณไม่ได้ก็พักสวรรค์กับพรหมวิธีที่เราจะไปพักสวรรค์กับพรหมดียังไงพักสวรรค์กับพรหมที่เป็นผลอริยศาสตร์นี่เป็นเหตุเป็นผลนะ มนเหตุที่จะไปสวรรค์ได้ทํำยัง ไ, ไ, ไทท ง, งที่สมุทัยเหตุที่ไปสวรรค์ได้ก็คืนหนึ่ ง, องยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าเาการในสองมีศินห้าบริสุทธิ์ในการนี้มีสินห้าบริสุทธิ์สินห้านี่จะสินห้าจริงๆที่จะมีก็ได้มันเป็นผล ขึ้สมุทรไทยที่ให้ ส, สินท้ามีได้เพราะอาศัยอะไรเหตุที่เราจะมีสินห้าไปสุดเขาบริบูรณ์ได้เราอัยเหตุสังเกตการขึ้นเมืองเมตตาความรักสองคนา climate, ความสงสาันนี้เป็นพื้นฐานใหญ่ถ้าเราขาดเมตตาความรักขาดคนานความรู้สารเรจะมีสินห้าเขาฟุ้งไม่ได้มีความสาคัญนะที่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทหาร ดีไม่ดีก็ใช่อะเบิดไปทิ้งหัวเขาทำไงกินห้าขาดเราต้องทำใจแบบนี้ว่านี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าปฏิบัติตามคาสั่งพวกผู้บัญชาเขาสั่งแบบไหนในเมื่อเราหากินเขาอาชีพนี้ก็ต้องทาตามนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องของเราไปทำไมกลับมาแล้วมานั่งบูชาพระใหม่ที่ติดของเรา ต้องเล็งคำถานี้นะใจจะเด็ดเบาก็ถือว่าเราเจตนาจริงๆไม่ใช่เราไม่มีเราไม่ได้โกรธเคืองข้าศึกเราไม่เคยรู้จักค้าศึกไม่เคยรู้จักหน้าข้าตามาก่อนไม่เคยท่านรับอกไว้มาก่อนแต่ว่าเขาสั่งให้ทําเราต้องทําำทำวินัยที่กระยุนอยู่ในขอบเขตจะได้เมื่อเลื่อแล้วเราก็บูชาพระใหม่ทําใหม่รักษาโรงแบบนี้ใจมันก็เบา ตามที่พระเจ้าเคยสอนบอกว่าท่านอนหลับจนจายนึอย่านึกถึงความชั่วหรือบาปที่ทํามาแล้วส่วนใดที่เป็นความชั่วความชั่วกับเราบาปบาปแปลว่าความชั่วที่ทํามาแล้วจึงอย่าตามนึกถึงลืมมันไปเลยนึกถึงแต่ความดีอย่างเดียวนั่นคือตั้งใจเคารวพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระอริยสงฆ์และมีสิ้นห้าบริสุทธิ์สิ้นห้าจะบริสุทธิ์ได้เพราะมีเมตตาความกกนกดุลรางความสงสาร แค่นี้นะจบไหมจ บ, นะจบนะแล้วเนี่ยเฮ้เราก็มาพิจารณาเราเองว่าเวลานี้และการปฏิบัติขอขอโทษขอย้อนหลังอีกนิดหนะึ่งก็ปฏิบัติขบวนดาเทพริษัทให้มีทั้งสองอย่างมีทั้งภาวนาและพิจนารณาถ้าเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันไปไปที่ไหนแนละอย่างเก่งก็แค่จบชานโลกีถ้าจบชานโลกีนี่มันไม่พ้นอาวัยภูมิ เวลาจะตายจะเผอหน่อยเดียวหรือว่าบาอยากอยู <c oughs> ่อย่างพระเทวทัตพระเทวทัตได้พัญญาโลกีได้อัญโลคีอย่างใหญ่ด้วยใต้ชานโลกีด้วยได้พิญญาด้วยจะเป็นของโลกีต่อมาอวุโสเข้าแทรกจิตนิดเดียวที่คิดกับบทต่อพระเจา้าในขั้นสุดท้ายก็ใส่อวุโสธรรมเอาฝนเข้ามาแทรกใจที่จองเวรจองทำพระเจ้า ก็เลลงเอาวีกีบานรกไปที่ถูกแล้วท่านต้องลงโลกกันแต่ว่าอาศัยที่พระเทวทัตรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้ไว้ก่อนเพราะว่าจะไปขมาพระพุทธเจ้าจะไปไม่ทันเห็นหน้าพระพุทธเจ้าทรงตนนิสุทธิ์แล้ว่าตามบาลีถ้าไม่เรียกว่าทรงทนนิสุทธิาเรียกว่าบุญหนักเกินไปก็เล่าเรื่องนิดหน่อยได้ไหมเอาไหม เอานะสิบนหรือสิบแตัยแบ่งบ่ายก็ไม่เอาก็เอาตั ง, างสิบ <c oughs> เรียกเขามีเยอะว่าเรียงว่าพระเทวทัพท่านได้ฌานโลกีตอนนี้อาศัยกรรมเก่าคือจองร่างจองผังพระเจ้ามานานเทวทัพเป็นคนจองนะไม่ใช่พระเจ้าจองในสมัยตอนก่อนหน้านั้นท่านเป็นเกิดเป็นพ่อค้าเหมือนกันซื้อของเก่าไปขาย เทวทพัศน์เป็นพ่อข้าวโกงขี้โกงมาค้าวหนึ่งไปเจอบ้านบ้านหนึ่งครับเป็นตระกูลเขาเป็นมหาเศรษฐีเก่าเขามียังเหลือถาดทองคําเป็นลูกสุดท้ายตอนหลังจนแล้วนะเหลือถาดทองคําเป็นลูกสุดท้ายเป็นทองคําแท้พ่อข้าเทวทัศน์ไปพบเข้า ข, ขอขอซื้อเจ้าของบ้านก็จะขาย มาดูไปดูมาก็แกกโกงเนี่ยแกบอกคนจนๆแบบนี้เนี่ยเราโกงได้ก็เลยบอกว่าถาดทองคำเนี่ความจริงไม่ใช่ต้องทาแท้เลยต้องคําอันไหลตีราคาเป็นของอะไรไม่เจ้าของได้ทราบารกา็เป็นต้องทาแท้แกกไม า, ไา ข, มขายเพราะบันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็ไปแกก็ดาถายมันมาขายพระเจ้าเห็นเป็นถาดทองคําแท้ก็ให้ราคาทองคาแท้เขาขายให้เราะวันที่สามเทวทัตไปเขาบอกขายไปแล้ว แถวใครซื้อไปว่าพ่อค้าเพื่อนของท่านซื้อไปพระเทวท่านก็โกรธกลับม <c oughs> าพบระพุทธเจ้าถามว่าไปซื้อถาตรงคำลูกนั้นใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าใช่ให้ราคา ย, ยัางไงบอกให้ราคาต้องคำแท้แค่เอาจิตายมาหนึ่งกามือ ว่าเราจะจองล้างจองผ่านท่านเป็นจนทุกทุกชาติข้าพระเทไยหนึ่งกำ ม, มือใช่ไหมไอโกทุงการมมันเนี่ยมันยังเข้ามาสนองเวลาที่มาบวชในพุทธศาสนา <c oughs> ในตามตน้นดีวุเก่าช่วยได้เป็นพระอริย ญ, ญาสมสมบัติอ ร, อริยญญโลคีตอนหลังกรรมกรรมเก่าเขาหนุนใจดีต้นเสียกลายนะ ต, า ต, าตอนนี้ก็คิดทยตพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าซะเอง อยาจะเข้ามาสง่เงเสียอีกที่ข้าพระเจ้าหลายจุดใน ห, หลายจุดในเวลามันน้อยไนขอร่าไอ้สานะหนึ่งใช้นั้นใช้นั้นขมังสนูยิงบ้างสิ่งผีนี่ทัด บ, บ้างนี้เป็นต้นตพระพเจ้าก็ปลอดภัยด้าลาที่สุดต่อมาก็พาพระสง่งแยกไปไปรวง ก, กับรรกรกพระโกกาดิกาพระเจ้าว่าใช้หลมงพ่คณาบรรษาจะบุตรได้ไปตามระส่์กลับมา ใ น, นราระาบุลาภาษาที่บทไปตามพระสงฆ์กลับมาแล้วพระสงฆการที่การก็โกรธว่าเทวทัตเสือตัวคนดียังไงนะเวลาในพวกนายาษาที่บทพาพระสงฆ์กลั บ, รรบไปหมดแ ล, แล้วจะมีใครก็เลยเอาเข่าก็แทกอกพระเทวทัตให้นักมวยเขา่าพระเทวทัตก็เจียนโรหิตในที่สุดก็มีความรู้สึกตัวว่าเราทําผิดจะไปขอเข้ามาโทษเถ้าพุทธเจ้าก็สั่งให้คนทคําการหามนั่งกันหามมา ตั้งใจว่าจะเฝ้าพระพุทธเจ้ามขอมาโทษพระสงฆ์ก็รายงานให้ทราบว่าเวลานี้พระเทวทัพจะมาขอมาโทษพระ อ, องค์พระเจ้าขา่ <c oughs> พขาพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเทวทัพไม่เห็นหน้าตถาคตหรอก <c oughs> ไม่เห็นตถาคตหรอก <c oughs> ถ้าสงฆ์รายงานเวลานี้ใกล้ธรรมาแล้วพระเจ้าขา่า <c oughs> ใกล้แผลปกตนี้แล้ว <c oughs> ใกล้ธะไอ้สาวปกตินี้แล้ว <c oughs> ลวิหารมันอยู่ไกลก็ไม่ถึงสองเส้นพระเจ้าบอกว่าเทวทัพไม่ได้เห็นตถาคต พอถึงดาวสาปกรธรมนีพระเทวทัตคิดว่าร่างกายยังดีเพื่อนเลือดเพื่อนฝนละอองเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานี้ก็ไม่สมควรควรจิตําระร่างกายให้สะอาดก่อนดีกว่าเขาบอกเข้าบานแคร์ก็กล้าลงจากแคร์ตามบาลีจะบอกว่าถ้าธรณีทานความหนักของบาปไม่ไหวถ้าไม่ได้ยกธรณสูต จมลงไปในแผ่นดินเหลือแค่ทางตั้งใจเขาก็มาโทษพระพุทธเจา้าแต่ตอนนั้นนะแล้วก็จมลงไปใลงอเวจีต้องเปลนเห็นแหมไม่ชามโลจีมาช่วยตัวเองไม่ได้นะนแต่ว่าที่พระเทวทัพลงแค่เวจีก็เพราะว่าได้ขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจา้าถึงแ่าจะไม่เห็นก็ตามถ้าว่าไม่ได้ขอเขามาโทษเลยลงโลงกกันนะดีกว่กาเจจีโลกันนี่สบายมากมีความสุข ใครชอบเอ็นไหมตัใครชอบเย็นไมตัว ใ, ใช้แอร์ที่เย็นมากใช้ไม่เอาเย็นจัดไฟนะก็เป็นนั้นว่าถ้าเราใช้แต่ทำภาวนาอย่างเดียวก็จะทรงแค่ชานจะทรงไม่ได้นานเพราะชานอย่าทรงตัวได้เพราะอาศัยปัญญาด้วย แต่ ใ, ใช้สมถะอย่างเดียวก็ไม่มีผลใช้ภาวนาวิปัสสนาญาณอย่างเดียวก็ไม่มีผลต้องใช้ทั้งสามอย่างร่วมกันทั้งศีลสมาธิปัญญาสมาธิคือสมถะ <c oughs> ถ้าสัญญาใดที่จิตต้องการอารมณ์สงัด <c oughs> มันไม่ต้องการคิดเราก็ใช้ภาวนา <c oughs> รู้ลมหายใจเขาเ อ, อกานาภาวนาด้วย <c oughs> บางครั้งจิตแม้ไม่ต้องการสงัดจิตต้องการคิดก็ให้มันคิดตาม คิดยังไงที่วันหนึ่งแล้วเกิดมาแล้วต้องตายด้วยการที่สองการตายมีสภาพไม่ศูนย์ถ้าจิตสะอาดมีพระอารมณ์เป็นกุศลก็ไปสู่สุคติถ้าจิตสปกปรกมีบาปก็คนก็ไปสู่ทุคติแต่ไม่ต้องการทุคติเราต้องการสุคติเราจะยอมรับคำสีพระพุทธเจ้ามาทำพระอสม์ด้วยปัญญาเคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อน พระพุ стати, ทธเจ้าว่าทำพระอริยสงดียังไงก็ดูคำบัธรรมที่พระเจ้าบอกว่าสัมปาปัจจะกันนังเธอสัายจึงอย่าทาความชั่วทุกอย่างทั้งหมดสองกุศลสูงและสมัทาจนทำแต่ความดีสานพจิต่์ประโยชน์รับนราลังทำจิตใจผ่องใสยจกิเลสเอตังุทาตงศาสนางพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดแยกยานี้ทั้งหมดก็คิดไปตามนี้อย่างหนึ่งแล้วการที่สองิจนาเรื่องศีล ใช่คนเราสิงก็สิงพวกเราบริสุทธ์ดีไหมเรามี ร, าารักษากรรมรักษครบครนวไหมตัวไหนบก่องบ้างถ้า <c oughs> ตัวไหนบกซอกอวันพวกนี้เราจะไม่โยนบก่องทุกตัว <c oughs> คิดอย่างนี้ทุกวันเวลาก่อนจะหลับก็ใช่ควนรหม่ว่าวันนี้ระบบห้องสิงข้อไหนบ้างถ้าบกซองสิงข้อไหนต่อไปวันหน้าเราจะไม่โยนบก่องถ้าเตรียมตัวแบบนี้ทุกวันไม่เจอสามเดือนสิงสิงครบ ข้าินห้าครบก็หมายถึงว่าท่านดังหลายข้าถึงใกล้ความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าในสัญ ญ, ญ่าเป็นพระโสดาบันโดยแต่มาแบบยังแต่ใช่ยนิตนะก็กายจะเป็นพระโสดาบันนี้ต้องเข้าทั้โครตรภูยานก่อนการปฏิบัติต้องเป็นอย่างไงนคํามาโครตรภูยานอยู่ระหว่างโลกีกลงกุตระเข้ามกันในช่วงนี้จิตยรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ มีความต้องการเหยี่ยงเดียวก็คือที่พานแต่การเข้าสูโ่โคตภูญาเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนักสําดับสาวกภูมิธรรมดาถ้าสาวะภูมิธรรมดานี่อยู่ขั้นในโคตรภูญาณไม่เกินเจวันถ้าหากว่ามาจากภูธภูมิอาจจะอยู่เป็นเดือนเพราะนี้นต้องเรียนละเอียดมากพอยจิตเข้าถึงระโสดาบันจริงๆ จะจะมีอารมณ์ความมีความรู้สึกว่าอารมณ์มันเบาขึ้นทุกอย่างอย่างหนึ่งความโลภไอคำมันรอดเกลียดหายความอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นนะโดยไม่ชอบทำนะมันจะไม่มีเพราะว่าถ้าอยากรวยเพราะการทํามาหากินโดยสมัยชีวะไม่มีการดิ้นรน้อยไปเบาใจมันเบาขึ้นของความโกรธถ้าโสดาบันยังมีความโกรธแต่โกรธไม่รุนแรง ถ้าไม่มีการอาฆาตไม่ร้ายไม้หมากร้ายไม่มนการเจองเวรจองกรรมคนแรกเดี๋ยวหายก็หายไปเลยไม่จองเวรจอกรรมถ้าการนี้สายความหลงความหลงนั้นยังมีแลาวโสดาบันสัจธารมสัจธรรมีรักสวยรักงามในการรักสวยรักงามนี่ก็เป็นความหลงก็จะมีการแต่งงานเพะนั้นโสดาบันก็ดีสัจธารมไม่ดี ในข้อศี่วสกายญติทิจะเข้าไปตัดว่าร่างกายสกปรสกขึ้นมาเข้าไปสกปรกไปถึงที่ตนาว่าร่างกายไม่เจราไม่ของเราเลยก็ยังไม่ถึงต้องคิดถึงแค่ว่าร่างกายนี้ต้องตายร่างกายยังยัถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราว่าที่เราถือร่างกายคนอื่นเป็นร่างกายของพวกเราของเราเองนะเจริญงานเนี่ยใช่ไงมล่ะเรายังถือว่าร่างกายของเขาเป็นร่างกายของเราไหมร่างกายของเราเป็นร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นร่างกายของเรา พี่ไดีเอาลูกมารางกายลูกเป็นล้างกายของเราเราฝั่งแทนก็ปัญญาของว่าโสดาบาริสกิทาเราไม่จะมีความรู้สึกแค่ตายอย่างเดียวทุกอย่างที่ทกล่าวมาแล้วนี้อยู่ในขอบเขตอริยสัต์ในเมื่อเราคิดว่าเราจะมีความรักเรามีความอยากรวยเรามีความหลงเรามีความโกรธตัวนี้ต้งถือว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ ถึงแม้เป็นระโสดาบันก็ดีก็ยังไม่หมดทุกข์แต่ว่าระโสดาบันก็ยังยอมรับความจริงของความเป็นทุกข์คำว่าสังขารุเปขคายานี่เขานับตั้งแต่ชานโลกีขึ้นไปนะชานโลกีก็มีสังขารุเปรคายานตามขั้นของชานโลกีระโสดาบันก็มีสังขารุเปรคายานตามขั้นของระโสดาบันคาว่าสังขารุเปรคายานคือโดยการบางเฉดในร่างกาย ที่มีการบางเห็นในร่างกายเพราะว่าพระโสดาบันยอมรับว่าเถี่ยร่างกายมันต้องตายเวลาที่จะตายจริงพระโสดาบันไม่ดิ้นรนเพราะว่าไม่ดิ้นรนหมายความไม่กระสกกระสายเกินไปไม่ห่วงเกินไปยอมรับความตายเที่ยวความตายของร่างกายนี้เมื่อตายจากความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดแล้วเป็นจักดาหรือพรไปสวรรค์หรือพรถ้าได้บังเอิญพบพระอริยเจ้าก็ดี พระพุทธเจ้าวันี้ท้าเทศฟังแท่จบเดียวก็เ ป, ปบบ็นพระราหันพระบรรดาญายโยมพุทโธสักทุกท่านพูดมา ก, ก่าได้เวลามันหมดตอนนี้ไปเขบบ้าบรรดาจะพุทโธสงหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานรักษาทาน